ตั้งใจสัรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตเพิ่งกำหนดลงในปัจจุบันน้อมจิตอธิษฐานถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงจะลึกอันตเสริฐของตน ต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปกังวลกับสิ่งอื่นดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตาย ชีวิตนี้มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นถ้าเพ่งถ้าเพ่งพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้มันจิตใจมันจะไม่ได้เพ้อเพลินไปในทางอื่นเพราะว่ามันมองเห็นชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งไอ้มาอะไรยมีแต่ แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีการที่เรามาประกอบกุศลคุณงามความดีกันนี่ก็เพื่อเป็นเครื่องชำระจิตใจ ดวงเดียวนี่แหละให้ของใสสะอาดเราจะไปเอาอันอื่นมาชำระมันไม่มันสะอาดไม่ได้มีแต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละจะเป็นเครื่องชำระจิตใจนี้ได้เป็นอย่างดีทำให้ใจสะอาดไปได้ ใจที่มันสปกปรกหัวหมองอยู่นี่เนี่ยมันสกปรกมัวหมองมาแต่หลายชาติหลายภพแล้วที่่วงแล้วมามันมีกิเลสหุ้มหอ่อกิเลสนี่เป็นของมัวหมองเมื่อมาสถิตอยู่ที่ดวงจิตดวงนี้ก็ทำให้จิตตรงนี้มัวหมองเข้าไป ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงกำจัดกิเลสนี้ออกไปจา ก, กจิตใจให้ได้ไม่ฉะนนั้นแล้วจิตนี้ก็จะมัวหมองอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อจิตมัวหมองอยู่ก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์คนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะจิตมัวหมองนั่นแหละ จะเป็นสุขก็เพราะจิตผ่องใสมันกลงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปปล่อยให้จิตของตนมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆต้องทำความยินดีในบุญในคนให้มากชื่นชมยินดีในกุศลสัมมาปฏิบัติ ที่เรากระทำบำเพ็ญอยู่หรือบำเพ็ญมาแล้วนี่เป็นของหาได้ยากสำหรับผู้ที่จะมีศรัทธามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบท้วนบริบูรณ์ได้นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายนักคน บุญวาสนาไม่มากพอก็ปฏิบัติตามไม่ได้หมายความว่าผู้จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องอาศัยบุญเก่าที่ตนได้ทำมาโนเป็นกำลังเป็นกำ ล, ลังใจจึงมีความสามารถเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติธรรมให้ผ่านพ้นไปได้เนี่ยเหมือนอย่างคนเหมือนอย่างร่างกายอย่างนี้แหละถ้ามันขาดอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ไม่มีกําลังจะไปทําการทํางานอะไรก็ทําไม่ถนัดเลยเนี่ยว่า ง, งานหนักทําไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับประทานอาหารก่อนนะ อันนี้ฐันใดก็อย่างนั้นเ่ยจิตใจคนเรานี้ถ้าหากก็ไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังมันก็อ่อนแอท้อแท้สู้กับมารคือกิเลสไม่ได้ดังนั้นในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตัดสร้นนั้นเมื่อมารคือกิเลสมันมารบ ก, กวน พ ร, พระองค์ก็นึกถึงพระบรมีธรรมที่พระองค์ได้ท ร, รงกระทาบำเพ็ญมาแต่อเนกชาติถ้าหากก็มีจริงแล้วก็ขอให้ขจัดปัดเป่ามารคือกิเลสต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปจากพระคันธสัดานของพระองค์ ทรงอธิษฐานอย่างนี้บุญญาบรมีที่พระองค์ได้กระทําบำเพ็ญมาแต่ก่อนก็มาปรากฏขึ้นในพระไทยมีนิมิตรปรากฏว่าเป็นนางธรณีบิดมวยผมให้น้ำหลั่งไหลออกจากมวยผมท่วมทนพญามารและเสนามารต่างๆเหล่านั้นให้ ไหลไปตามกระแสน้ำอยู่ทูพ่พระเชิญหน้ากับพระศาสดาไม่ได้เลยอ่ะนะานะมารคือกิเลสจึงได้พ่ายแพ้ต่อพระบารมีธรรมของพระองค์พระองค์จึงได้มีพระไทยหนักแน่นพระองค์จึงได้กายยกวิเวก ค, ความสงัดกายจิตตวิเวกสังัดจิต ได้เจริญสมถะให้บรรลุถึงรูปฌานสี่เน้นแล้วก็เจริญวิปัสนาต่อบนันนี้เมื่อเจริญวิปัสนาต่อโดยมองเห็นสังขาร น, นามรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ตามเป็นจริงอย่างไรแล้วองค์ก็ได้ตัดสู้ในยานที่หนึ่งในปฐมยานในปฐมยามเรียกว่าบุเพเนิวาสานุสติยานปรีชายัยางรู้ระลึกชาติถนหลังได้นับตั้งแต่ชาติที่มาเกิดเป็นพระสิท ธ, ธะราชกุมาร หอยหลังคืนไปโดยลำดับร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติไปก็ทรงรู้ปารธนาอยากจะรู้ไปเท่าไรก็ทรงรู้ไปเท่านั้นไม่ขัดข้องเลยเพราะว่าพระ อ, องค์ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารเพื่อสร้างพระบารมีให้เต็มเนี่ย ขนานับชาติไม่ทวนเลยดังนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงเห็นแจ้งในชีวิตความเป็นมาของพระองค์ว่าแต่อดีตชาติ้นได้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ทรงรู้แจ้งสิ้นสงสัยในความเกิดของพระองค์นั่นตอนมัสสิมยาม เ่างคืนก็ได้ตัดสรุ ป, ปจุตูปปาตาญาณปรีชายอย่างรู้ความเกิดและความตายความสุขหรือความทุกข์ของสัตว์ทางไหลว่าสัตว์ทางไหลจะได้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ก็เพราะ อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทําเอาไว้ในชาติหนึ่งหนึ่งไม่ยอมละกรรมชั่วและไม่ยอมสะสมกรรมดีใส่ตนโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วนี่มันจึงหน่วงเนียวรวงกีดที่ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้าง ไปเลื่อยเปอยไปอย่างนี้แหละไม่ใช่เทวดาอินพรหมที่ไหนหยิบยกเอาความสุขความทุกข์มาให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หาไม่ได้มันเกิดจากกรรมคือการกระทําของแต่และบุคคลต่างหากอันบุคคลที่จะพ้อนจากความเกิดเป็นต้นเหล่านี้ไปได้ ก็พ่อมาละ ก, กรรมชั่วให้หมดสิ้นไปแล้วสั่งสมกรรมดีให้จนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั้นแหละมันถึงจะพ้นทุกข์ไปได้โดยเด็ดขาดส่งรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ก็ไม่มีทางสงสัยดังนั้นแหละเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วก็จึงได้มาแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้ คนทั้งหลายแในตลอดถึงเทวดาได้มาเชื่อมั่นในการกระทําของตนเองอย่าไปเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เล่าลือกันมาหมู่นั้นไม่เป็นความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาอํานวยความสุขความทุกข์อะไรให้แก่คนทั้งหลายเลยผู้ใดมาเชื่อต่อการกร ะ, กร ะ, กระทําของตนเอง ว่ามันอำนวยผลให้ตามกรรมที่ทำ น, นั้นจริงอย่างนี้นะผู้นั้นก็ต้องเพียรละกรรมชั่วออกจากกายวาชาใจให้ได้ทีเดียวหลยจะไปหล่อเลี้ยงความชั่วไว้ทําไมล่ะพ็รู้แล้วว่าความชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้วก็รู้แล้วว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำ โดยแท้จริงเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็เลือกทำแต่กรรมดีเท่านั้นะคนเรากรรมชั่วมันก็เว้นสำหรับผู้มีปัญญานะผู้ไม่มีปัญญามันก็จนมุมอย่างว่านันแหละจนเกาะทำอย่างไรได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญาาัติถรมอย่างนั้นอย่างนั้นก็จริงอยู่เราก็เห็นด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถจะทำตามได้ เพราะว่าเกี่ยวกันเกี่ยวกแก่การทามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนถ้าไม่ทําก็ไม่ได้กินมันก็ต้องบาปบ้างบุญบ้างเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นแหละนี่คนส่วนมากมันก็ลงเอ่ยตรงนี้เองเนีเ่ยเหตุนั้นเลยเลยจึงไม่ใส่ใจว่าจะพยายามละบาปออกจากกิจใจของตนให้หมด ไม่พยายามแล้วสูญมากพอไม่เจอบาปก็ไม่ทำบาปถ้าเจอบาปเข้าเวลาใดก็ทำบาปเมื่อนั้น อ, อย่างนี้แหละพระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยแล้วต่อไปก็ทรงทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งพระปีชายาน อันประเสริฐนั่นแหละในเวลาจวนสว่างพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงบำเพ็ญบารมีมามากต่อมากกลัวว่าพราะองค์จะทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละแม้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีเช่นเดียวกับพระองค์นั้นนะต่างแต่ว่า ไม่กว้างขวางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละตามภูมิของภาษา voke นั่นแหละเมื่อสร้างบุญบา ร, รมีเป็นภูมิภาษาว o k e นี่ก็ไม่นานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพียงแสนกับก็เต็มบริบูรณ์นะสาหรับผู้สร้างนะผู้ไม่คิดจะสร้างบา ร, รมีแล้วแม่แต่หลายแสนกับก็ไม่เต็ม แต่อย่าง น, นัไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปแล้วบารมีมันแก่ไปเองอย่างนี้ยไม่ใช่มันไม่ได้แก่ไปเองหรอกมันแก่ด้วยการกระทําของบุคคลต่างหากมันต้องเข้าใจเพราะเมื่อไม่กระทําอย่างนี้นะอะไรก็ไม่เกิดขึ้นอ บาปก็ไม่เกิดถ้าไม่ทำนั่นนี่บุญก็ไม่เกิดถ้าไม่ลงมือทำเป็นอย่างนั้นบัด น, นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราไม่ทำบาป น, น, น, นี่เราเลือกทำเอาแต่บุญแต่กุศลอย่างเดียวสำหรับผู้มีปัญญามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> สิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติทมไว้ แล้วก็ไม่ร่วงเกินเลยแม่ตายก็ตายถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามพุท ธ, ธถ้าได้ปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั่นแล้วชีวิตมันจะร้อยหอลองมันจะแตกดับทําลายไปอย่างนี้ก็ให้มันแตกไปไม่ต้องกลัวคนไหนๆมันก็จะตายอยู่เหมือนกันนี่อ่า คนผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็ตายคนผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสอนก็ตายเหมือนกันก็สู้ที่เราปฏิบัติตามคำสอนแล้วตายไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าตั้งความสาัตว์ความจริงลงเรารักบาปธรรมออกจากกายวาจาใจแหละไม่สะสมมันไว้อย่างนี้นะ แล้วอีฝ่ายหนึ่งไม่ได้พยายามละอย่างนี้มีได้สะสมมันไว้ช น, นีเมื่อตายลงมันก็ไปคนลทางกันบันนี้ <c oughs> ผู้ไม่สะสมบาปสะสมแต่บุญกุศลถ้ายังไม่ถึงบริภานก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างนี้เลยผู้ไม่ได้สั่งสมบุญทาแต่บาป หรือว่าทำบุญกระทำนิดนิดน่อยอย่างนี้มันไม่มีกำลังพอที่จะขจัดบาปอากุศลได้ทำบาปมากกว่าบุญอย่างนี้ตายแล้วมันก็ไปไม่อยู่ในอ บ, อบายอบยภูมิทั้งสี่มีนากเป็นตน้นมันก็มีสองทางเท่านี้นะสำหรับทางดำเนินแห่งชีวิตของชนทั้งหลายเนี่ย ให้พึ่งพากันเข้าใจคนเราเกิดมาในโลกนี้มันจะอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกให้สังเกตดูถ้าว่ามันไม่พอใจในความดีมันพอใจในความชั่วมันก็ทำความชั่วไปอย่างนี้แหละถ้ามันพอใจในความดีมันก็หันมาทำความดี ด้วยกายวาจาใจทิ้งความชั่วเสียอย่างนี้มันจึงถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการนังความไม่กระทำความชั่วทั้งปวงกุศลสู้ประสมปดาความให้กุศลถึงพร้อม จิตตะปริโยดปานังการชำระจิตที่เศร้าหมองให้พองใสเอตังมุทาสนาะสาสนังข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังนี้นี่เรามาปฏิบัติตามคำสอนโดยยอ่ออย่างนี้แล้วก็นับว่าไม่ผิดทางเลย ที่พระ อ, องค์เจ้าทรงสอนให้ละความชั่วก็เพราะว่าความชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์ดังกล่าวมานั้นทรงสงสารสัตว์โลกไม่ต้องการที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในวตัตาสงสารอันนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นลงเลยอย่างนี้นะจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลาย พยายามละ ก, กําชั่วออกจากกายวาจาใจของตนให้ได้เมื่อต้องการความสุขเนะ้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลความดีต่างๆให้เกิดให้มีขึ้นในตนการกระทำความดีเมื่อทำมากๆเข้าไป มันก็มีกำลังมากมันก็สามารถขจัดก ร, รมชั่วออกจากจิตใจไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่มากพอมันก็ขจัดไม่ได้ไอ้พึ่งพาการเข้าใจอันบุคคลพู้ไม่บาเพ็ญบุญกุศลน่าจะมากำนดําหนดละความชั่วเอาดื้อๆนี่นไม่มีทางหรอกมันจะละได้ ละไม่ได้อย่างเช่นบุคคลนะมีความตนีเหนียวแน่นเป็นนิสัยติดตามตนมาแต่อเนกชาติอย่างนี้นะแล้วมาชาตินี้ตนไม่ได้ยินดีในการให้การบริจาคทานเลยเนื่อจะมากําหนดละความตนีออกจากหัวใจอย่างนี้มันละไม่ได้อเมื่อละความตนี ออกไปจากกิจใจก็ต้องให้ทานไปพร้อมกันอย่างนั้นมันจึงถูกต้องความตันนิน้วแน่นต่งตางๆมันก็จึงจะหมดไปถ้าบุคคล ม, มาจเจริญเมตตาจิตให้เกิดมีขึ้นในตน อย่างนี้นะมันก็จึงจะขจัดความโกรธนั้นให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ถ้าไม่เจริญเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วจะมาข่มใจละความโกรธนี้ให้มันเบาบางไปอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละคั้นเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้า มันก็กลับโกรธขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นเองดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติสำหรับเป็นคู่ปรับ ก, กับความโกรธได้แก่การสมทนมั่นในศีลให้มั่นคงแล้วก็เจริญเมตตากรุณาแห่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วทั่วกันไป ทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูแล้วก็มุ่งให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงว่าใครเป็นศัตรูเราก็จงพินาศทิพย์ใครเป็นมิตรเป็นสหายเราก็จงมีความสุขความเจริญคิดอย่างเนี้ทันเร็วลำเอียงลำเอียงเพราะความชอบกันลำเอียงเพราะความโกรธกัน แต่อย่างนันดง น, นั้นการเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันดังกล่าวมานี้เสมอเสมอไปมันจึงเป็นการบั่นทอนความโกรธความพยาบากอันฝังแน่นอยู่ในจิตใจมานมนานนี่เบาบางออกไปเรื่อยๆอ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อมัน เมตตากรุณาธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะเบียดเบียนสัตว์เลยแบบนี้อันเนยมองเห็นสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้แล้วจะไม่แก่เจ็บตายไม่มีนั่นน่ะก็มีความรู้สึกต่อสัรว์สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แล้ว มันจึงไม่โมโหโทโสให้แก่มนุษย์อลสัตว์ทั้งหลายได้ะจะโกรธไปทำไมอ่ะเพราะรูปกายนี่มันไม่ใช่ยั่งยืนอยู่ตลอดดินฟ้าสลายลงไปหามิได้หมดเหตุปัจจัยเวนันมันก็แตกทำลายลงสู่พื้นดินนี้เท่านั้นเองไม่ไปไหน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปผูกโกรธไวในใจนเมื่อจเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันกเบาบางไปเองเลยแต่ว่ามันจะขาดได้ก็ต่อเมื่อจเจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดมีขึ้นเท่านั้นแหละบรรดาสักกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นนะแต่ถ้ายังไม่ได้จเจริญวิปัสสนาปัญญาแล้ว มันก็ได้แค่เพียงแค่ว่าอาศัยสมาธิมันไปข่มกิเลสให้หมูกอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอสมาธิถอนมันก็เกิดขึ้นมาตามหลังอีกแล้วด้วยเหตุนั้นเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วก็จงเจริญวิปัสสนาปัญญาต่อ อย่าอย่าปล่อยให้จิตมันถอนออกมาแล้วก็ปล่อยให้จิตมันเล่ร่อนไปในอารมณ์ต่างๆไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่ามันกลับสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นมาอีกอเป็นอย่างนั้นเมือ่ออาศัยอำนาจสมาธินั้น ข่มกิเลสนี่ให้อ่อนกำลังลงแล้วต่อจากนั้นไปก็เจริญปัญญาทำลายกิเลสที่มันกำลังอ่อนอยู่แล้วนั้นนะให้มันระ ง, งับดับไปจากกิจใจนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่นั่นนะ บำเพ็นศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันก็ตัดทอนกาลังของกิเลสให้เบาลงไปส่วนหนึ่งพอมาเจริญสมาธิเข้าอย่างนี้มันก็เป็นการบั่นทอนกิเลสให้เบาลงไปอีกกว่านั้นถ้าต่อเมื่อมาเจริญปัญญาเข้าแบบนี้มันก็ยิ่ง เป็นการทำลายกิเลสให้น้อยลงไปโดยลำดับตอนจะมาถอนรากของกิเลสออกได้นี่ก็อาศัยอำนาจแห่งปัญญานี้เองบะนี่เนยเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันพยายามจเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตสันดานของตนของตนด้วยการจเจริญสมาธิภาวนานี่ะ ทำใจให้สงบระ ง, งับให้ได้อย่าไปติดอยู่แต่แค่ความสงบเท่านั้นให้พึ่งพยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นการอบรมปัญญาในทีน่นี้เราก็วิจารณ์อยู่ในสมาธินั่นแหละ จิตสงบอยู่ที่ไหนก็พิจารณาอยู่ที่นั้นแหละอย่าส่งใจไปทั้งอื่นเรากําหนดพิจารณาอยู่ที่นั้นคล้ายๆกับว่าสมาธินั้นนะเป็นเหมือนอย่างแผนที่ของประเทศไทยอย่างนี้นะบุคคลผู้ที่จะต้องการอยากจะรู้ เรื่องราวของเมืองไทยหรือว่ารู้อาณาเขตของเมืองไทยว่ามีกว้างแคบขนาดไหนและมีหมู่บ้านมีอำเภอมีตำบลและมีจังหวัดไหนบ้างอยู่ที่ไหนมีชาวบ้านทำอาชีพอะไรบ้าง อย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวดูตามหัวเมืองต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆเราไปดูแผนที่นั้นเรารู้ได้เลยอย่างงี้แหละรู้ได้เรานั่งดูแผนที่อยู่ที่เดียวนั้นก็รู้ได้เลยว่าเช่นจังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้นะมันอยู่ทิศไหน ของกรุงเทพเมืองหลวงอเราเมืองหลวงเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็รู้ได้แล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่มันอยู่ภาคพายับอยู่ทิศพายับของกรุงเทพนี่มันก็รู้ได้อย่างนี้แหละแม้จังหวัดอื่นๆก็เหมือนกั น, นแผนที่จะที่บอกไว้หมดเลย อันนี้นะ่ะชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปแล้วมันก็ไอเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษตลอดถึงอริยสัจเจตธรรมทั้งสี่มันก็ปรากฏอยู่ในความสงบนั่นแหละบะนีพอเรานึกอยากจะพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องบาป นี่บาปมันก็โผล่ขึ้นมาจา ก, กจิตใจที่สงบอยู่นั้นแหละอยากรู้เรื่องบุญบุญนี้เป็นยังไงอย่างนี้ความรู้เรื่องบุญมันก็โผล่ขึ้นมาจา ก, กจิตที่สงบอยู่นั้นนั่นแหละมันก็แสดงออกให้จิตได้รู้ได้เห็นว่าลักษณะของบุญกุศลเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วประกอบกับได้ยินได้ฟังมาด้วย ดูตำหรับตำรามาด้วยเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องลักษณะอาการของบุญนะดังที่แสดงให้ฟังมาแล้วโดยลาดับนั้นแหละตนจะพ้นจากทุกได้ก็เพราะมีปัญญานี่เองเนี่ยถ้าขาดปัญญาแล้วเอาตัวรอดจากทุกไม่ได้เลยแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกไม่ได้ อย่าว่าแต่อนาคตเลยเมื่อขาดปัญญาแล้วมันไม่มีอุบายแอยบคาในใจที่จะมาสอนใจให้ละความยึดความถือกิเลสป่าประธรรมต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นนะจิตอันนี้ถ้าหาก ว, ว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอมาอ้างอิงแล้วมันไม่เชื่อมันไม่ลงนะหมายเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญานี่มันจะต้องชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตได้เห็นแจ้งให้เรียกว่ายอมจํานวนต่อเหตุผลให้ได้ถ้ามันจิตนี่ยังไม่ยอมจํานวนต่อเหตุผลแล้ว มันจะไม่เชื่อแล้วมันจะไม่ยอมละกิเลสดัง น, นั้นเลยอย่างยกตัวอย่างเส้นฆ่าสัตว์อย่างนี้นะบางคนยังมาออกความคิดความเห็นว่าเออฆ่าสัตว์นี่ถ้าฆ่าไปเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างงี้นะถ้าฆ่า ให้มันตายเบเป่าๆอย่างนี้เป็นบาปเห็นไปอย่างนั้นก็มีเช่นฆ่าสัตว์ที่ไม่เป็นอาหารอะไรโมนี้นะมันเป็นบาปตัวหนวึ่งฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารันไม่เป็นบาปเพราะสัตว์ในไร่ฉันที่เป็นอาหารของมนุษย์น่ะมันเกิดมามันขานอาสามาเป็นอาหารของมนุษย์ อย่างนี้มันก็มีเนี่ยเรียกว่าพูดแก้ตัวเพื่อไม่ให้ใครยกโทษตนว่าตนทําบาปอย่างนี้เลยกานเมื่อพิจารณาโดยเหตุผลแล้วมันก็จนมุมแหละไม่มีทางเกี่ยววิสัสนาต่อไปได้อีกเช่นมีผู้ถามว่าแล้วสัตว์เหล่านั้นมัน ประกาศออกมาจริงหรือว่ามันเกิดมาอาสาให้ทานแก่เลือดเนื้อของมันนะให้เป็นอาหารของมนุษย์อย่างนี้มันประกาศมาอย่างนั้นเหรืออย่างนี้มันก็จนมุมเลยมันจะไปตอบได้ยังไงใครจะรู้ว่ามันมันประกาศยังไงไม่มีเพราะว่าสัตว์แล้วมันพูดไม่ได้เลย มนุษย์เราบรรทักสมมุติขึ้นมาเองเพออยากกินเนื้อของมันอย่างนี้เลยมันไม่ได้ยอมให้มนุษย์กินเนื้อของมันง่ายๆเมื่อรู้ว่ามนุษย์จะจับมันไปฆ่าไปแกงกินอย่างนี้มันก็ต้องถ้ามีขามันก็วิ่งหนีถ้ามีปีกมันก็บินไปถ้าบินไปไม่พ้นแล้วก็จึงยอมตาย ถ้าสัตว์อยู่ในน้ํามันก็แหวกไหวหนีพ่ายไปเมื่อพ่ายไม่พ้นเราก็จึงยอมตายหมูนี้นะอถ้าว่ามันยอมสละเลือดเนื้อไขมันเหล่านี้ให้มนุษย์จริงอย่างนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ไม่หนีมันก็ยอมให้มนุษย์จับเอามาต้มมาแกงกินดีๆนี่แหละลองคิดดูเป็นอย่างนั้นนะ แม้เรื่องเงินอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้แหละอันนี้ยกมาแสดงเป็นอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งมันสําหรับผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอคิดได้อ่านออกแม้ความชั่วอื่นที่พระศ า, าสดาทรงบรรยท่ามไว้หมู่นั้นนะ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเสร็จเลยเ ห, เหตุผลก็คือหมายความว่าอย่างการลักการขโมยหมู่นี้นะ ที่ทรงห้ามมาให้ลักมาให้กมยของกันอะรกันเพราะว่าต่างคนต่างก็หวงเห็นในทรัพย์สมบัติของตนซึ่งเสแวงหามาได้ด้วยความยากลำบากเต็มทีแล้วอย่างนี้ยั ง, ยงจะมีคนมาหยิบถวยเอาไปง่ายเนี่ยใครจะไม่หวงแหนล่ะอย่างนี้แหละเพราะการกระทำเช่นนั้นมันก็ก่อให้ เจ้าของทรัพย์นั่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมันจึงเป็นกรรมเป็นเวรนั่นแหละพระาศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติถ้ก็สมบัติของใครใครก็หวงแม่สมบัติของตนตนก็หวงถ้ามีคนคนอื่นมาแย่งชิงมาหยิบถวยเอาตนก็เสียใจถ้ามีโอกาสจะได้ต่อสู้ก็ต่อสู้กันไปไม่ยอมให้ เอาไปง่ายๆบางรายก็ถึงกับว่าถูกฆ่าตายเจ้าของทรัพย์ก็เลยยอมตายเพราะความหวงแหนทรัพย์สมบัตินั้นเลยลองคิดดูถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วคิดเปรียบเทียบเขากับเราได้อย่างว่านี่นะมันก็ไม่เบียดเบียนชีวิตของกันและกันเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกัน เบียดเบียนสามีหรือภรรยาของกันและกันในทางชู้สาวมันก็ไม่เบียดเบียนกันทางวาจาเช่นพูดโกโหกห ก, กล้มหลอกลวงให้เขาเสียทรัพย์เสียสินอะไรหมูนี่นะมันก็ไม่ทำหละเพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นเวณตามสนองกันไม่รู้จักจบจักสิน้น แม้การดื่มของมึนเมาให้โทษต่างๆก็เหมือนกันนะมันเป็นการเวียดเบียนทั้งตนและทั้งผู้อื่นด้วยเพราะคนเรานะทาเมามาแล้วมันมันไม่มองเห็นใครว่าเป็นมิตรเป็นสหายตนเลยแหละแม้มิตรสหายสนิสนมกันแท้แท้ก็ยังฆ่ากันได้เมื่อเม า, มาแล้ว กระทบกระทั่งกันกนิดนิดน่อยๆเท่านั้นไม่ยอมให้อภัยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นยังว่าตนก็พลอยได้ทำบาปทำกรรมคนอื่นก็พลอยได้รับทุกตนทรมานจากตนผู้มึนเมาไม่มีสติสมัมปชัญญะอะไรเลยของเศษติได้โทษเช่นสุราเมลัยเหล่านี้ยยิ่งมีพิษมีโทษอย่างร้ายแรงมาก ทีเดียวอะเมื่อมันเมามากๆมาแล้วค้าได้ตลอดมารดาบิดาเลยอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญแม้แม้แต่มารดาบิดานี่ผู้บังเกิดเกล้าด้แท้มันยังค้าได้ลงคอจะว่ายังไงความเมาเนี่ยมันไร้กาศจริงๆไงเรื่องนั้นแหละพระธรรมคาสอนของพระเจ้านี่นะ จึงมีเหตุผลที่ให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นสามารถพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์หาความจริงของคำสอนของพระเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทนั้นได้อย่างเต็มที่ไม่รับรีหนีหน้าไปไหนเลยเเรียกว่าถ้าให้พิสูจน์ได้เต็มที่แต่ต้องเคารพต่อเหตุผลนะถ้าไม่เคารพต่อเหตุผลแล้วมันก็ปฏิเสธวันยังค่ำเลย ธรรมดาคนไม่เคารพต่อเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นแม้ใครจะแนะนำตักเตือนยังไงที่แจงเหตุผลยังไงให้ฟังโดยแจมแจ้งอย่างไรก็ตามนะมันก็ไม่ยอมรับอยู่นั่นแหละธรรมดาคนจิตแข็งกระด้างกระเดืองต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมึงก็เป็นเช่นนั้นนหะ ไม่ยอมรับรู้เอาเสียเลยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปเรื่องเวทต่างๆวันนี้ปฏิเสธเลยไม่มีไม่ยอมรับรู้เลยคนผู้ประมาทมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงไปแอาอาัดกันอยู่ในนรกนั่นเหมือนเข้าสารยัดไถยนี่พระศาสดาทรงเปรียบไว้ คนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ น, นั้นมีน้อยเดียวเหมือนกับเขาวัวคนลงสู่นรกเหมือนกับขนวัวอันนี้นะบอกเป็นความจริงเราสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันนี้แหละคนทำชั่วนั้นมีมากกว่าคนทำดีในโลกอันนี้นั่นแหละมันจะไม่ให้ไปแออัดกันอยู่ในนรกยังไงเล้ จะไม่ให้สวรรค์มันว่างเปล่าอย่างไรล่ะเพราะว่าคนทำบุญทำกุศลทำความดีมีน้อยนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละทุกคนควรพาการเจริญปัญญาทพเจรณาเรื่องบาปบุญคุณโทษนี้ให้เจมกระจ่างในใจจริงๆทีเดียวอย่าเวละเลยเสีย อย่าไปคิดว่าตนถึงคิดพี่นาเห็นได้ตนก็ปฏิวัติตาไม่ได้หรอกคนส่วนมากมักจะอ้างอย่างนี้แหละเรียกว่าเข้าทํานองที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้นั่นเลยคือเมื่อยังเป็นไข่ลงไปแล้วรรู้ว่าตนจะตาย ทันทีเลยนะใครหมอเอายามาให้รับประทานก็ไม่ยอมไหนไหมันจะตายอยู่แล้วอย่าไปกินมันเลยอย่างนี้นะโรคบางอย่างนะถ้าหากว่าไม่กินยาแล้วไม่หายตายก็ตายจริงๆ น, นะโรคบางอย่างกินยาก็หายไม่กินก็หายก็มีอย่างนี้เลย อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันจิตใจนี้ถ้าบุคคลผูใ้ใดไม่ยอมน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปตั้งไว้ภายในไม่เลื่อมใสไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนอย่างคนไข้ไม่เชื่อว่ายาจะช่วยชีวิตของตัวไม่ได้นั่นอนั่น ก็ถูกกิเลสมันจุงไปให้ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจมีข่าสาัตร์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนั่นแหละมูลเหตุที่คนเราจะทําชั่วได้มันก็มาจากความที่ไม่เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนอย่างกฎหมายบ้านเมืองของมนุษย์นี่กฎหมายนั่นเขากล่าวไว้แล้วอย่างนี้ ผู้ดใดล่วงแล้วก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่เขาผู้รักษากฎหมายนี่เขาจับกลุมนะเมื่อมีผู้ไปแจ้งความมาก็จับกุมมามอบให้แก่อายการทำหลักฐานอะไรทออะไรมอบให้แก่อายการอายการพิจารณาดูหลักฐานที่ตำรวจเขาทำสำนวนไปนั่นเห็นว่าคาดีมีมูล อายการก็ฟ้องศาลเลยศาลก็พิจารณาตามหลักฐานนั่นแหละถ้าหลักฐานอ่อนไม่เพียงพอศาลก็ตัดสินปล่อยไม่พอจะลงโทษได้ถ้าหลักฐานเพียงพอหลักฐานเข้มแข็งเหตุผลเพียงพออย่างนี้ศาลก็ย่อมตัดสินลงโทษผู้ทําผิดนั่นได้ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละชีวิตของคนเรานี่มันมีกฎเกณฑ์อยู่เรื่องมันนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในตัวเลยกฎอันนั้นก็หมายความว่ากฎแห่งบุญและบาปนั่นแหละเมื่อจิตสร้างบาปขึ้นมาใส่ตนบาปมันก็อํานวยผลให้เป็นทุกข์นี่จะ ว, ว่ากฎของบาป ถ้าจิตสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาใส่ตนของตนไม่สร้างบาปขึ้นมาบุญกุศลมันก็อำนวย อ, อำนวยผลให้เป็นสุขนี่เรียกว่ากฎของบุญนะมันก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อผู้ใดตั้งใจละบาปให้หมดไปแล้วตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลบุญกุศลนี่มันเจริญศีลให้บริสุทธ์ก็เป็นบุญกุศล บำเพ็ญสมาธิทําใจให้สงบเป็นสมาะระงับลงไปนี่วรห้าดับไปอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นพอมาเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสามารถรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงรู้แจ้งในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าตามเป็นจริงและไม่ถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของเราหมูนี้ โอ้ยล้วนแต่บุญกุศลอย่างสูงทั้งนั้นเลยนี่แหละบุคคลมาเจริญปัญญาวิปัสนาเจริญสมถะสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นไปโดยลํา ด, ดับทีเดียวเพรข้อปฏิบัติเหล่านี้มันทําให้เป็นบุญกุศลสูงขึ้นไปได้ ถ้าจะไปย่มตอกอยู่แค่รักษาศีลเท่านั้นอย่างนี้มันบุญกุศลมันจะสูงไปกว่านั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดปัญญาสามารถละอาสวักิเลสให้ขาดจากสันดานได้ถ้าไม่เจริญสมาธิในอันดับต่อไปนั่นน ะ, ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมา เชื่อว่าศีล น, นี่แหละเป็นเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจขั้งตอนใดก็สมทานมั่นในศีลจริงจังลงไปแล้วต่อจากนั้นว่าจเจริญภาวนาสมาธิก็ไม่ควรจะไปอุ่นใจอยู่เพียงแค่ศีลเท่านั้นเพราะว่าศีลมันก็จิตดรงนี้รักษาถ้าหากว่าปล่อยให้จิตตรงนี้เศร้าหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆแล้ว มันก็ไม่สามารถจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ไปได้ในเมื่อกิเลสมันมากขึ้นแล้วมันมีกำลังมากนะมันก็จูงใจให้ไปทำชั่วได้เลย จ, จูงใจให้ทำลายสินไปเสียอย่างนี้แหละใน้พึ่งพากันเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เจริญสมาธิภาวนา ทำใจให้ส ง, งบเมื่อใจส ง, งบแล้วก็มาเจริญปัญญาต่ออย่างนี้มันจ ะ, จ, ะจึงค่อยถอนรากเงาของกิเลสตัณหาอาวิชชานั้นให้ออกไปจากกิสันดานี้ให้ได้โดยประการทั้งปวงถ้าพูดมาถึงตรงนี้บุคคลก็อาจท้อใจ ว่าแม้ทําไมมันยุ่งยากเหลือเกินะการลากกิเลสตัณหานี่ต้องได้มีพิธีรีตองอะไรหลายอย่างอเมื่อนึกถึงอย่างนี้แล้วก็ท้อใจเสียเมื่ออยากทําความดีให้สูงขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็มีส่วนมากทีเดียวล่ะถ้ามีพระท่านแสดงธรรมขั้นสูงขึ้นไปหน่อยอย่เงี่ยว ไม่ไหวเราไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ท้อใจเสียก่อนเลยไอ้พวกเข้าใจอย่างนั้นเป็นการเข้าใจไม่ถูกต้องเลยอุปมาเหมือนอย่างนักศึกษาศิลปวิทยาความรู้ต่างๆอย่างนี้นะ ผู้ดใดมีความรู้ในขั้นใดมันก็อาศัยความรู้ในขั้นนั้นเลยประกอบอาชีพของตนมีความรู้ในขั้นทำนาทำสวนมันก็ทำได้แต่นาแต่สวนเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้มันก็ได้รับภาระอันหนักเลยทีเดียวนั่นแหละถ้าผู้ใดไม่ต้องการอยากจะทำงานหนักอย่างนี้เนะี่ย มันก็พยายามเรียนความรู้ให้สูงขึ้นไปกว่านี้เช่นพาณิจการอย่างนี้น ะ, ะเรียนความรู้เกี่ยวกับการค้าการขายเมื่อมีความรู้ความชำนาญในการค้าการขายแล้วก็ไปลงทุนซื้อของมาใส่ร้านแล้วนั่งขายอยู่ในร่มไม่ได้ตากแดดกมฝนอะไรเลย อ, อย่างนี้แหละมันก็มีความสุขกลัว บุคนผูทำนาทำสวนนันไปอีกถ้าเห็นว่าทำการค้าขายนี่ก็ยุ่งยากเอไปเรียนความรู้ให้สูงขึ้นไปกว่านี้อา้าคิดผลิตสินค้าออกขายอย่างนี้นะผูได้มีความรู้ในการผลิตสินค้าต่างๆออกมาได้ เป็นเจ้าตลอาตำราเมื่อคิดได้ค้นคว้าได้เราก็ให้ลูกน้องทาลงไปตนเองก็เป็นผู้จ่ยึดควบคุมเท่านี้อ้าวก็มีภาระการงานก็เบาขึ้นกว่าเก่าอีก อ, อย่างนี้แหละแต่ความรู้ในทางโลกนะเมื่อผูใ้ใดเรียนรู้สูงขึ้นไปเท่าใดก็การงานก็เบาขึ้นไปเท่านั้นอย่างนี้เลย ความกระททุกกระทำลำบากในการในงานก็เบาไปเรื่อยๆแต่ว่าความรู้ในทางโลกนั่นนะถึงแม้มันจะทำการงานเบาขึ้นไปแต่มันก็ไม่สามารถจะละ ก, กิเลสบาปธรรมให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจได้เพราะความรู้ในทางโลกเท่านั้นนะมันเป็นที่เพียงว่าอำนวยความสะดวกสบายให้ในการดมามหาเลี้ยงชีพในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะ แต่ไม่สามารถจะละ ก, กิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ได้ดังนั้นแหละทุกคนก็จึงต้องหันหน้าเข้ามาสู่ศีลธรรมบันีเมื่อมองเห็นอย่างนั้นแล้วนะมองเห็นว่าศีลธรรมคำสอนของอุทธเจ้าเท่านี้แหละที่จะสามารถปราบกิเลสตัณหาความโลภโกดหลงอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้มานมานานหลายชาติ หลายชาติหลายภบแล้วให้เบาวางหรือหมดไปสิ้นไปได้ก็โดยมาปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเท่านี้แหละ mm hmm. เมื่อบุคคลใดมาเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วมก็ mm hmm. ยินดีพอใจในการสดับตรับฟังคําสอนของพระเจ้าจากผู้รู้ทั้งหลายนะยินดีพอใจในการดูตำหรับตําลายินดีในการท่องการจํา เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อมีความรู้ในทางทมดีชำนิชำนานดีแล้วมันก็นั่นแหละสามารถที่จะมาสอนจิตเนี่ยให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกิเลส ต, ตัณหาความโลภโกรดหลงนี้ให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจเรื่อยๆไป แต่ถ้าหากว่าพูดสั้นๆแล้วก็ปัญญามาสอนให้จิตลนะอุปทานในขันธ์ทั้งห้านี่หลยเมื่อละความยึดบั้นถือมาในขันธ์ห้าได้แล้วก็เท่ากับว่าละกิเลสอื่นๆได้หมดเลยทีเดียวเพราะ ก, กิเลสมันจะยังเหลืออยู่ในจิตใจได้ก็เพราะใจมันยึดถือขันธ์ห้านี้ไว้อยู่เพราะกิเลสอาศัายขันธ์ห้านี้ พอมีปัญญาสอนใจละขันหานี้ได้แล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งเลยบบบนี้มันก็ดับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงสรุปใจความได้ว่าการที่บุคคลมาจะมาละกิเลสให้ขาดจากสันดานเนีก็ต้องมาเพียรละขันหานี่แหละปรงขันห้าวางขันหานี้ลงไป ละขันห้าส่วนหยาบๆได้ผู้นั้นก็ปิดประตูใบภูมิทั้งสี่ไม่ทำบาปกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละก็มองเห็นขันห้านี้มันไม่เที่ยงวินทุก์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเราเราจะใช้มันไปทาความชั่วทาไม่ทำมาเพื่อใครที่นี่ความชั่วนั้นนะ คนไม่รู้เมื่อก็ไม่ว่าอะไรเนียทำไปตามชอบใจเฉยไม่รู้ว่าใครจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่รับรู้เลยผู้ที่จะละความชั่วได้มันก็ต้องมีปัญญาตอบคำถามของตนได้นะเมื่อทําบาปมาแล้วผลมันจะเป็นยังไงผลมันก็คือความทุกข์อย่างนี้นะ เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำบาปใครมันก็เกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นนี่ต้องการแต่ความสุขอย่างเดียวเ <c oughs> นี่ยจึงว่าการโทษที่มายึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่แมมมันโทษมากเอาจริงๆนะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสว่าทุกรวบยอดจริงๆมันก็คืออุปทานขันธ์ทางห้านี้เอง นี่มันเป็นความจริงแท้ๆนนะเพราะฉะนั้นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเนี่ยก็จะไปเพ่งพิจารณาอย่างอื่นไปก่อนคอนอื่นต้องมาเพ่งพินาราขันห้านี่แหละเพราะจิตใจมันหลงไหลอยู่ในขันหานี้แล้วมันจึงหลงไหลไปในสิ่งอื่นเรื่องมันนะเมื่อค้นคว้าพิจารณาขันหานี้ให้มันแจ่มแจ้งให้มันละเอียดละอลงไป ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ให้มันรู้ไปตลอดเลยทั้งมีอยู่ภายในทั้งมีอยู่ภายนอกทั้งอยู่ใกลและทั้งอยู่ใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งสุขขุมคำภีและภาพอะไรก็ตามเนี่ยกันร่วนแต่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครเหมือนกันหมดเลยต้องพิจารณาลงไปมันเห็นแจ่มแจ้งอย่างนั้น มันก็จึงสามารถที่จะละกิเลสบาปประทำน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิจใจได้อย่างนั้นน่ะเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้วเพิ่งพากันมีโอนิโสมนัสิการน้อมเข้าไป ภายในโนั้นเราพ่งพิจารณาดูเพราะว่ากิเลสตัณหามันก็อยู่ภายในจิตใจนั่นแหละไม่ได้อยู่นอกจิตนอกใจเลยความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทไดๆมันก็อยู่ที่จิตนั่นเองจิตเป็นผู้สร้างมันขึ้นหมายพราะว่าอย่างนั้นแหละ ไม่ใช่ว่ามันเลื่อนลอยมาแต่ภายนอกแล้วมันมาสวมเอาจิตใจอย่างนี้ไม่ใช่ตาได้เห็นรูปอา้าวจิตก็ยึดเอารูปอันนั้นมาปรุงมาแต่งอยู่ภายในนี่อย่างนี้ถ้าถ้าเป็นรูปสวยอย่างนี้มันก็มาปรุงแต่งหน้ารักหน้าใครหน้าพอใจอะไรต่างหมดนี้นะ มันก็เกิดความโลภขึ้นอยากได้รูปอันนั้นมาเชยชมอย่างนี้นะนั่ น, นความโลภไหมคือความเพ่งเล็งมันก็ส่งกระแส จ, จิตออกไปผูกพันอยู่กับรูปอันนั้นเลื้อยไปอย่างนี้นะถ้ามใครมาขัดขวางเข้าไปเกิดความโกรธขึ้นอ้าวประหารประหารกันไปเนี่ย กิเลสมันต่อหางกันไปอย่างนี้ไงเรืองมันการที่ไม่รู้จักยับยัง้งชั่งใจได้นั่นก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันหลงว่าเป็นของเราของเขาจริงจังเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นมันจึงได้ยึดได้ถือเอาไว้แล้วมันจึงก่อให้เกิดเป็นบาปอากุศลขึ้นมา นี่ถ้าหากว่าเราพิจารณามาถึงขั้นนี้แล้วก็เห็นว่ามันไม่เป็นเรื่องยากเรื่องลำบากเหลือวิสัยที่จะทําไม่ได้นะการลา ก, กิเลสนี่นะถ้าใครไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเห็นว่าบรรดากิเลสบาประทำทั้งหลายนี่ก็จิตนี่สร้างขึ้นมานี่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็หนักใจละ เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันน้อมเข้ามาเพ่งพินาให้มันเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็กำหนดละกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆไปมันก็จะกิเลสว่าประทรมก็จะเบาบางหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจดังแสดงมา